วันพระตอนค่าหลังจากหลานชายอิ่มข้าวและล้างถ้วยชามแล้วยายจึงให้เขาไปนำหายสองลูกเข้ามาในเรือนเพื่อบรรจุเงินและทองไปฝังทำไมลูกเหมันเล็กนักละ่ะไอหนูยายสั่งให้เอ็งซื้อลูกใหญ่มานน่นาะยายติ่งเมื่อเห็นของนี่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับถ้ายายอยากได้ใหญ่กว่านี้ ก็ต้องเอาองาผมไปดูตั้งหลายร้านคนขายเขาบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่าขนาดนี้ใหญ่ที่สุดอย่างนั้นหรือแต่ยายคลับคล้ายกลับคลาว่าเคยเห็นไอ้ที่ลูกใหญ่กว่านี้พูดแบบไม่ค่อยแน่ใจนะยายจำผิดแล้วล่ะสงสัยคงจะเห็นองค์กระมังเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ายายอยากได้ใหญ่กว่านี้ ผมจะเอาไปเปลี่ยนเป็นองค์มาให้แต่ต้องเป็นพรุ่งนี้นะครับไม่ได้หรอกหลานองค์ใช้ไม่ได้ต้องใช้ไห้เพราะองค์ปากมันกว้างคนโบราณเขาไม่นิยมเอามาใส่สมบัติฝังดินกันถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อมาเพิ่มยายกลัวจะใส่ไม่หมดใช่ไหมครับ คงไม่ต้องหรอกถ้าใส่ไม่หมดก็เหลือเก็บเอาไว้บนบ้านเพื่อโจนมันมาปล้นจะได้มีอะไรติดไม้ติดมือไปบ้างตราบใดที่ผมยังอยู่โจนมันไม่กล้ามาปล้นบ้านเราหรอกยายผมรับรองใช่สิก็เองเป็นมหาโจนโจนธรรมดาหรือจะกล้า สมพรปากเถอะสาธุเขายกมือขึ้นสาธุรู้สึกว่าอยากเลือกเกินนะอยากในสิ่งที่เลวร้ายยายเทศค่อนข้างรุนแรงก็ผมตามใจยายนี่ครับยายอยากให้ผมเป็นอะไรผมก็จะเป็นตามใจยายหนุ่มน้อยว่าครั้นเมื่อยายแก้ห่อผ้าออกเขาก็ตาลุกวาว เมื่อเห็นทองกองอยู่ตรงหน้ารู้ว่ายายมีทองหากไม่คิดไม่ฝันว่าจะมากมายถึงเพียงนี้ยายนี่ของจริงหรือของเก๊ครับถามอย่างตื่นเต้นเอกว่าจริงหรือเก๊ละ่ะคนอายุเจ็ดรอบย้อนถามผมรู้ว่ามันต้องเป็นของจริงแต่มันมากซะจนผมคิดว่ามันเป็นของเก๊ยายรวยจังเลยนะครับ แค่นี้ยังไม่รวยหรอกไอ้หนูถวดเองเขารวยกว่านี้อีกยายหมายถึงแม่ของยายเขามีรวมสิบหายรุดทีสงกรานทีก็เอาออกมาแจกลูกหลานยายยังได้มาตังเยอะแล้วยายก็หามาเพิ่มอีกถึงได้มากมายอย่างนี้ นี่าไอ่ซื้อเพิ่มตั้งแต่ท้องบาทละบาทจนเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นบาทละตำลึงแล้วหมายความว่าแต่ก่อนถ้าใครมีเงินหนึ่งตำลึงก็จะซื้อทองได้หนักสี่บาทแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ซื้อได้หนักแค่บาทเดียวอย่างนั้นหรือครับถูกแล้วไอ้หนูค่าของเงินมันลดลงทุกวันทุกวัน คนสมัยก่อนเข้าจึงนิยมสะสมทองกันยายอธิบายพลางแยกทองรูปพันธ์ไว้เป็นพวกๆเพื่อจะสำรวจว่าอยู่ครบหรือไม่ไอ้หนูช่วยยาแยกไว้เป็นกองๆ ก, กำไหลขอมือกองหนึ่งกำไหลขก่อท้ากองหนึ่งสายสะพาย สายสอยสอยข้อมือสอยขอเข็มขัดแยกไว้เย่าให้ปะปนกันหลานชายทำตามครั้นแล้วก็พบร่างแหทองคําเขาจึงจับกลางออกดูพลางว่าโอ้โหตับปิ้งอันนี้ทำไมมันถึงได้ใหญ่นักของยายเองหรือว่าของทวดเขาถามยิ้มยิ้ม ยายทำตาเคียวเข้าใส่พลางว่าไอ้หนูอย่าคิดอากุศลวันนี้วันพระนะแม้ยายแล้วก็ชอบว่าผมอยู่เรื่อยทมแค่นี้ก็ต้องดุก็เอ็งอย่าคิดอากุศลทำไมละ่ะอากุศลยังไงก็ผมอยากรู้ไม่ต้องอยากรู้หรอกเอาเถอะ เอ็งไม่อยากได้ของสิ่งนี้ยายก็จะให้นังเหรียนมันบารินแกโตแล้วคงไม่ใช่ตะปิ้งหรอกเอ็งหวงก็ว่าเถอถ้างั้นเอ็งเอาไปใส่ก็แล้วกันยายตัดสินผมเป็นผู้ชายในยายไอ้แบบนี้เขาให้เด็กผู้หญิงใส่ผมเห็นเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านเขาใส่กันอันไม่เห็นใหญ่เท่านี้เลยแล้วก็ทำด้วยเงิน ไม่เห็นใครใส่ตะปิ่งทองสักคนหนุ่มน้อยบอกกล่าวคนที่จะใส่ตะปิ่งทองคำต้องเป็นคนมีวาสนานะไอ้หนูถ้าบ้านไหนไม่มีบุญวาสนาคืนเอาตะปิ่งทองคำให้ลูกหลานใส่รับรองว่าเจ่งทุกราย ยายใช้คำภาษาจีนหรือครับแสดงว่าคนที่เป็นเจ้าของติ ป, ปิ้งอันนี้จะต้องเป็นคนมีบุญว่าาสนาคงต้องเป็นยายแน่เลยเพราะยายของผมเป็นคนมีบุญว่าสนาพูดยิ้มยิ้มเด ร, รีบรีบทาเขาหมัวพูดมากอยู่นั่นแหละเพอเดี๋ยวต้องลงไปช่วยกันขุดหลุมอกีกยายสั่ง เมื่อแยกเสร็จจึงตรวจนับนี่ไอหนูเอ่งไปเอาสมุดมาจดไว้หน่อยไปยายแก่มากแล้วความจำไม่ค่อยจะดีสักเท่าไรจดไว้ให้เป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าหลานชายจึงลุกออกไปยังห้องของตนรู้สึกไม่พอใจที่ถูกใช้จึงเดินลงส้นตึงตึง ไอ้หนูเดินเบาๆขืนเอ็งเดินแรงๆอย่างนั้นซับหนีหมดไม่หนีหรอกยายนอกเสียจากผมจะรักเท่านั้นคนเป็นหลานหันมาบอกเอ็งจะรักของเอ็งก็ตามใจสินี่เดินเบาๆเดินดังอย่างนั้นเขาเรียกคนไม่มีคุณสมบัติยายว่า เพราะหลานยังคงลงส้นตึงตึงเดินยังไงมันถึงจะเบาเลยยายหนุ่มน้อยยั่วก็ตั้งสติสิเวลาจะก้าวเท้าก็กำหนดขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอใยายสอนเองมาตั้งแต่เล็กเล็กลืมเสร็จแล้วหรือยังไม่ลืมหรอกครับ แต่ไม่ค่อยได้ออกมาใช้ถ้าอย่างนั้นผมจะใช้เดี๋ยวนี้เลยว่าแล้วเขาก็ค่อยค่อ ย, ย่องปากว่าขวาย่างหนอและซ้ายย่างหนอกระทั่งถึงห้องได้สมุดดินสอนแล้วก็เดินกลับมาที่ยายปากยังคงว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอะยายไม่ใส่ใจทั้งที่รู้ว่าหลานแกล้งเขานั่งลงแล้วยายจึงนับของและบอกให้จด ไอ้หนูจดลงไปสายสะพายหนัก8บาทสเสเซนหนุน่มน้อยจดหากเขียนเลขสเป็นเลขสองด้วยหมายว่าจะขโมยไปขายหนึ่งเส้นนั่นมันเลขสองนี่ไอ้หนูเลขสเขาไม่ได้เขียนอย่างนี้ยายท้วงถึงจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่ก็จำได้ว่าเลขหนึ่งถึงเลขศูนนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรหนุ่มน้อยจึงจำต้องเปลี่ยนจากเลขสองมาเป็นเลขสามบนในใจว่าแม้อยากให้ยายฉลาดน้อยกว่านี้สักสิบเท่าพะ่าสิเอ่ต่อไปกำไลข้อมือหนักสองบาทแปดอันกำไลข้อเท้า คางละสามบาทสี่อันสร้อยขอมือเส้นละสิบสลึงห้าเซนเส้นละหกสลึงสเมเซนสร้สสอยคอสี่บาทสองเนห้าบาทสองเนสิบบาทหนึ่งเนเข็มขัดหนักยี่สิบบาทกับ30สิบบาท อย่างละเส้นตะปิ้งหนักห้าบาทหนึ่งอันทุกครั้งที่หลานชายจดยายจะดูว่าเขาเขียนเลขถูกต้องตามที่บอกหรือไม่เสร็จแล้วจึงสั่งว่าลองรวมดูสิทั้งหมดเนี่ยหนักร้อยสี่สิบสองบาทใช่ไหมคนเป็นยายตั้งใจทดสอบความซื่อสัตย์ของหลานหนุ่มน้อย คิดอย่างรวดเร็วเข้ารวมเลขได้เข้ารวมได้ร้2ยหแต่เขียนลงไปร4 2ตามที่ยายบอกนึกกระยิมในใจว่าจะได้ยักยอกเอาไวสิบบาทเอง็งตกเลขแล้วไอหนูยายแกล้งลองใจหน่อยเดียวเอ็งก็แกล้งบวกผิดเกิดยายบอกว่าร6 2หสอง รับรองเองโวยวายเทียวละ่ะจริงไหมคนเป็นยายรู้เท่าทันแม้จริงๆนะถ้ายายจะฉลาดน้อยกว่านี้สักสิบเท่าผมจะรักยายมากกว่านี้อีกร้อยเท่าหลานชายบ่นพึมพำแต่ยายไม่ต้องการให้เองรักมากหมายถึงป่านนั้นหรอกไอ้หนูยายไม่อยากเป็นควาย ให้เองจูงจมูกเล่นยายให้เหตุผลจากนั้นจึงหาผ้าสบัยเก่าๆมาตัดเป็นท่อนๆแล้วห่อไว้อย่างละหอ่อรวมทั้งหมดเจ็ดห่อแล้วลำเลียงลงไหซึ่งเต็มพอดียายไม่ขยักไว้บ้างหรือก็ไหนยายว่าเผื่อขโมยมันมาปล้นจะได้ไม่เสียศักดิ์ศรียังไง ล, ล่ะหลานชายทักทวง ไม่เป็นไรหรอกไอหนูเดี๋ยวขยักเงินไว้แทนเงินของเรามีเยอะให้หนึ่งใสใหม่หมดรอกแล้วยายจึงเดินไปหยิบห่อเงินที่ซ่อนไว้หลายที่ห่อผ้าไว้บ้างใส่กระบอกไม้ไผ่บ้างใส่ปิ๊บบ้างไอหนูเงินกลมในกระบอก มันหายไปไหนหมดยายจำได้ว่ามีเป็นร้อยๆก่อนยายถามเมื่อเห็นว่ากระบอกที่ใส่เงินกลมไว้เต็มนั้นว่างเปล่าไม่รู้สิยายผมไม่เคยไปยุ่งกับมันหลานชายไม่ยอมรับรู้ก็เข้าขโมยไปโยนหลุมทุกวันพระสมัยที่ยายไปรักษาอุโบสถศีลและนอนค้างที่วัดเอกใหม่ยุ่ง แล้วใครจะไปยุ่งก็มีกันอยู่สองผนเท่านี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่จะย้ายเอาไปใช้หรือใช้หมดแล้วก็เลยลืมคนเป็นหลานโยนความผิดมาให้บุพการีไม่ใช่แน่เรื่องอะไรยายจะเอาเงินกลมไปใช้ในเมื่อเงินเหรียนยายมีออกเยอะแยะ แล้วเงินกลมก็ใช้ได้เสียที่ไหนนอกจากว่าเอาไปแหลกเป็นสตางค์แดงเองยอมรับมาตรงๆดีกว่าว่าขมโมยของยายไปขายหมดอย่ากโกหกนะวันนี้เป็นวันพระใครโกหกต้องบาปเป็นสองเท่าเรื่องอะไรผมจะยอมรับในเมื่อผมไม่ได้ขมโมยหนุ่มน้อยยังปากแข็ง แน่ใจนะเอ่งไม่ได้โกหกแน่น่ะยายคาดคันแน่ครับยายเอาอย่างนี้นะถ้าผมขโมยของยายไปขอให้ผมถูกฟ้าผ่าเขายั้งคำว่าตายไว้ทันตั้งแต่ยายเล่าเรื่องยายคนที่ชอบสาบานให้ฟ้าผ่าตายถูกฟ้าผ่าตายจริงๆทั้งที่ได้หนีไปแอบอยู่ในองค์หนุ่มน้อยจึงต้องเปลี่ยนจาก ขอให้ผมถูกฟ้าผ่าตายมาเป็นขอให้ผมถูกฟ้าผ่าเฉยๆอย่าสาบานไอหนูประเดี๋ยวเองจะต้องถูกฟ้าผ่าเขาสักวันรับมาซิดดีดีดีกว่าผมไม่รับเพราะผมไม่ได้ขโมยหนุ่มน้อยปฏิเสธพลางปลอบใจตัวเองว่าอย่ารับนะเจ้าแกะริอ่านจะเป็นผู้ร้าย ต้องใจแข็งเข้าไว้ผู้ร้ายต้องใจแข็งไม่งั้นก็เป็นผู้ร้ายไม่ได้ตามใจเองไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันพระย้ายไม่อยากให้ใจเศร้ามองเอาละ่ะมาช่วยกันเอาเงินใส่ให้ที่เหลือก็ใส่ปิ๊บไว้ตามเดิม เสร็จแล้วจะได้ลงไปช่วยกันขุดหลุมเมื่อคาดว่าบ้านอื่นเขาหลับนอนกันหมดแล้วยายกับหลานจึงลงมาช่วยกันขุดหลุมที่ใต้ทุนบ้านขุดเสร็จจึงนำหายบรรจุทองและเงินลงฝังเอาดินกลบและปรับดินให้เสมอกัน เอาขี้ควายยาทับเหมือนที่ยาลานข้าวจากนั้นเอากระพร้อมทับไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วจึงพากันขึ้นบ้านยายเข้าห้องพระทำวัดสวดมนต์แล้วจึงเข้านอนวันพระยายไม่ให้หลานชายนวดเพราะต้องการรักษาพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์หนุ่มน้อยล้างมือล้างไม้เสร็จก็เตรียมตัวเข้านอนเขามีแผนอยู่ในใจวันพระหน้า เมื่อยายไปจำศิลที่วัดเขาจะขโมยขุดทองของยายยักยอกเอาไว้สักย0สิบบาทเมื่อแบ่งกับป้าเหรียนแล้วเขาจะได้มีมากกว่าแก่คิดได้อย่างนี้แล้วจึงไหว้พระสวดมนต์เมื่อสวดจบก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะบารมีวันพระหน้าก็ให้ลูกช้างจงขโมยทองยายสำเร็จเถิดแล้วจึงล้มตัวลงนอนวันนี้เขาจาเป็นต้องสวดมนต์ไหว้พระ เพราะมีเรื่องให้ท่านช่วยตั้งใจไว้ว่าจะสวดมนต์อธิษฐานจิตเช่นนี้ทุกคืนกระทั่งลักทองของยายได้สำเร็จค่อยเลิกถ้าคิดจะขโมยอีกค่อยสวดอีกง่ายออกจะตายไปยังไม่ทันจะหลับหนุ่มน้อยก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่ามาเรื่องนี้ จะมีลิเกชื่อดังมาเล่นที่โบสถ์เขาจะต้องพาพวกสาวๆไปดูลิเกแล้วก็ทําหน้าที่คุ้มครองดูแลนอกจากนั้นยังต้องซื้อขนมเลี้ยงพวกหล่อนด้วยโอกาสสําคัญเช่นนี้หน้าที่จะมีเสื้อตัวใหม่ใส่ไปอวดพวกสาวๆสักตัวหนึ่งและเรื่องที่ต้องทําทั้งหมดนี้จําเป็นต้องใช้เงินทว่าเขาไม่มีเงินอยู่ในมือแม้แต่สตางแดงเดียว ยายให้ค่าขนมวันละห้าสตางค์เขาก็ใช้หมดทุกวันเงินที่ยักยอกไว้เมื่อตอนไปขายของที่บางขามก็เอาไปซื้อขนมเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงหมดครั้นจะขอจากยายก็แน่ใจได้เลยว่าไม่มีวันได้จะทำยังไงดีหนอหนุ่มน้อยรำพึงกับตัวเองพลางเอามือก่ายหน้าผากและแล้วสมองอันเฉียบไว้ก็สั่งว่าไปขโมยเงินยายสิ เงินที่เหลือจากใส่ให้หนะรู้ที่ซ่อนแล้วนี่นาะแต่แล้วสมองอันเดียวกันนั้นก็คัดค้านขึ้นว่าอย่าเลยประเดี๋ยวยายตื่นมาจับได้ยิ่งเป็นคนนอนวัยอยู่ด้วยหนุ่มน้อยคิดหนะักคิดหาวิธีขโมยเงินยายได้การแล้วเราก็เอาวิชาเดินเบาที่ยายสอนนั่นแหละไปขโมยที่ยายสอนวิชาเดินเบาเราจะนํามาแปลงให้เป็นวิชาย่องเบาแต่ก่อนอื่น ต้องไปไว้ครูซะก่อนเขาลุกขึ้นจุดตะเกียงแล้วถือไปอยังห้องพระสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและคาถาชนะมารที่ยายสอนให้สวดตั้งแต่เขายังเล็กๆสวดเสร็จจึงตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจคุณพระสิริรัตนรไรและอำนาจบา ร, รมีขององค์พระผู้พิชิตมารจงโดนบันดาลให้ลูกช้างขโมยเงินยายได้สาเร็จด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ อธิษฐานเสร็จจึงกราบสามครั้งลุกขึ้นเดินไปยังห้องยายพยายามเดินให้เบาที่สุดด้วยการกําหนดขวาย่างหนอและซ้ายย่างหนอกระทั่งถึงหน้าห้องยายวางตะเกียงไว้หน้าประตูและผลักอย่างเบามือเมื่อประตูเปิดออกจึงย่องเข้าไปแง้มประตูไว้ให้แสงตะเกียงลอดเข้าไปข้างในห้อง หนุ่มอายุ16ค่อยๆ ย, ย่องไปที่ปีบใส่เงินซึ่งยายวางไว้ใต้เตียงแต่ละก้าวจะกำหนดขวาย่างหนอและซ้ายย่างหนอครั้นถึงหน้าเตียงยายพลิกตัวเขาหยุดเดินพลังกำหนดยืนหนอยืนหนอห้าครั้งทั้งที่ใจแทบหยุดเต้นสงสยัยพระคงช่วย เพราะยายพลิกตัวหันหน้าเข้าข้างฝาหนุ่มน้อยรู้สึกโล่งใจจึงกําหนดนั่งหนอนั่งหนอสามครั้งแล้วค่อยๆนั่งลงตรงใกล้ๆหัวเตียงยายเอาปี๊บวางไว้ติดข้างฝาด้านหัวนอนเขาต้องคลานเข้าไปใต้เตียงพยายามทำอย่างเบามือที่สุดเพื่อไม่ให้ยายตื่นคลานหนอ เอามือล้วงไปในปิ๊บหนอหยิบสตางมาหนอใส่กระเป๋ากางเกงหนอเต็มแล้วหนอคลานออกไปหนอลุกขึ้นยืนหนอยืนหนอยืนหนอยืนหนอกลับหนอกลับหนอกลับหนอเมื่อกลับเสร็จเขาไม่กำหนดยืนหนอ5ห้าครั้งหากรีบเห็นออกไปจากห้องเพราะกลัวว่า ยายจะตื่นขึ้นมาเห็นได้เงินมาก็เต็มกระเป๋าแล้วเขาก็เดินกลับห้องและนอนหลับฝันหวานนึกขอบคุณยายที่สอนวิชาเดินเบาให้ถ้ายายรู้ว่าเขาได้นำวิชานั้นมาเปลี่ยนเป็นย่องเบาแล้วก็เข้าไปลักเงินยายสงสัยคงลมจับและวันที่หนุ่มน้อยรอคอยก็ามาถึงเขาอาบน้ำแต่งตัว แต่หัววันหวีผมเรียบแย่และใส่น้ำมันจนเยิ้มไปทั้งศีรษะยายผมขออนุญาตไปดูลิกเกตที่วัดโบสถ์ขอเงินผมไปซื้อขนมกินบ้างสิเขาเอ่ยปากขอเงินยายที่จริงไม่ต้องขอก็ได้เพราะจัดการขโมยไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ที่ต้องขอก็เพื่อไม่ให้ยายสงสัยเรื่องอย่างนี้เขาฉลาดแหลมลึกใครๆก็สู้ไม่ได้ จะต้องไปซื้อก็กินทำไมหล่ า, ลานเอ้ยขนมบ้านเราก็มีออกเยอะแยะทั้งสมสุกลูกไม้ไมีให้กินไม่เคยขาดทำไมจะต้องไปซื้อเขาผมเบื่ออยากกินไอ้ที่ไม่มีที่บ้านเรานะ่ะหนุ่มน้อยว่าถ้าเช่นนั้นก็อยากต่อไปเถอะยายไม่มีวันให้เองหรอก มีเหยื่ออย่างที่ไหนไอ้ที่ไม่ไหม่กินจะกินไอ้ที่ไม่มียายพูดแบบตัดรอนถ้าเะ่นนั้นผมไม่เอาก็ได้นึกแล้วเชียวว่าคนขี้เหนียวอย่างยายจะต้องไม่ให้คอยดูนะอีกหน่อยผมรวยยายมาขอผมผมจะไม่ให้เด็ดขาดขอให้เอ็งรวยจริงๆเธอไอ้หนู แต่ยายจะไม่ขอเองหรอกยอมอดตายยังจะดีเสียกว่าว่าแต่ว่าเสื้อตัวนี้ยายไม่เคยเห็นเองใส่ไปเอามาจากไหนล่ะยายถามเมื่อเห็นเขาใส่เสื้อตัวใหม่เอี่ยมอ่องเรื่องของผมถึงยังไงก็ไม่ได้เอาเงินยายซื้อก็แล้วกันขอให้มันจริงเถอะเอาล่ะ เองจะไปไหนก็ไปแล้วก็อยากกลับให้ดึกนักละ่ะปร่งนี้ต้องไปโรงเรียนยายเตือนไว้ก่อนครับทลิเกเลิกเร็วรับรองผมกลับไม่ดึกแล้วถ้าเขาเล่นคืนยันรุง่งเองก็กลับเช้างั้นสิก็คงจะเป็นเช่นนั้นผมไปละหนุ่มน้อยทำเป็นขัดเคือง ด้วยต้องการแสดงละครให้แนบเนียนยายจะได้หายสงสัยคนอายุ8ปบสี่มองตามพลางสายหน้าอย่างระอาไอหนูเอ้ยชาดนาขอให้เองมาเป็นยายเล้วให้ยายไปเป็นเองดูบ้างเล้วเองจะรู้ยายพูดคนเดียวครั น, นึกได้ว่า หากยายไปเกิดเป็นเจ้ากแกลกก็ต้องก่อกรรมทำเข็นสะสมบาปกรรมใส่ตัวไม่เว้นแต่ละวันจึงเปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าชาตินี้เรายังไม่ทำบาปแล้วเรื่องอะไรชาติหน้าจะไปทำขอเกิดเป็นยายจางอย่างเดิมดีกว่าหรือหากมีบุญวาสนาพอ ก็ขอให้สำเร็จเป็นพระอนาคามีตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นพรมอยู่ในสวรรค์ชั้นสุดทาวารไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเบื่อเลอกเกินแล้ว